สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่าวันนี้ผมไปเจอนิทานมาหนึ่งเรื่องครับเห็นว่ามันสนุกดีก็เลยว่าจะนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับเป็นนิทานของประเทศญี่ปุ่นนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่านานมาแล้วในสมัยหนึ่งมีชายหนุ่มผู้กัญพาพ่อและแม่ยากจนมากอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าทาโร่เขาต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวไร้บ้านช่องที่นอนหรือแม้แต่พื้นที่ที่เอาไว้ทํามาหากินสัะพืน ก็ไม่มีเขาจึงจําเป็นต้องไปขออาศัยอยู่กับที่ของคนที่พอจะมีจะกินอยู่และขอใช้โรงนาเก่าๆที่เกือบจะพังมิพังแหลกของเขานั้นแบ่งทําเป็นที่หลับที่นอนและอาศัยอยู่โดยจะตอบแทนด้วยการช่วยทําไร่ทํานาให้กับเขาเป็นการแลกเปลี่ยนนอกนั้นก็หากินเป็นคนรับจ้างทั่วไปทํานาแลกข้าวแลกน้ําเลี้ยงตัวเองเร่มาทาโรูนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ยากจนคุ้นแคนมาก แต่เขาก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งและเป็นคนดีเพราะเขาเป็นคนที่ไร้ญาติขาดมิตรพ่อแม่พี่น้องทาโรุ่จึงยึดถือและเคารพเจ้าแม่กวนอิมมากทุกวันหลังจากเมื่อเสร็จงานแล้วทาโรุ่จะไปที่ศาลเจ้าและจะเข้าไปกราบไหว้ขอพอรจากเจ้าแม่กวนอิมไม่เคยได้ขาดและวันนี้ก็เช่นกันได้โปรดเถอะครับเจ้าแม่ข้าน้อยนั้นไม้ว่าจะขยันขันแข็งทํางานจนสายตัวแทบขาดอย่างไรก็ตามที่ ก็ไปเห็นว่าชีวิตจะเกิดความสบายขึ้นมาได้เหมือนกับใครเข้าบ้างเลยแม้แต่สักน้อยนิดได้โปรดช่วยโดนบัน ด, ดาลและช่วยให้ค่าน้อยได้มีโอกาสได้มีความสบายขึ้นมาแบบชาวบ้านเขาบัางเถอะครับทาโร่กล่าวขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมและดึกคืนนั้นนั่นเองทาโรุ่ก็นิมิตฝันไปว่าที่อยู่ตรงหัวนอนเขานั้นได้เกิดมีแสงประกายสว่างใสขึ้นและเจ้าแม่กวนอิมที่เขานั้นได้ไปกราบขอพรหยุดคุ่วันก็ได้มาปรากฏกายต่อหน้าเขา และบอกกับเขาว่าทาร่ aro, เจ้าเป็นคนที่น่าสงสารข้าจะบันดาลมอบสิ่งนี้สิ่งหนึ่งให้กับเจ้าพรุ่งนี้สิ่งที่เจ้าได้จับเอาไว้ในมือเป็นสิ่งแรกนั้นเจ้าจงถือมันไว้ให้ดีเพราะมันจะช่วยโดยบันดาลให้เจ้าโชคดีและมีความสุขขึ้นมาได้ในภายภาคหน้าจำเอาไว้นะทารุ่จงถือสิ่งที่ติดมือของเจ้าไว้ให้ดี ทาร่ได้กราบขอบคุณเจ้าแม่กกนอิมจากนั้นเจ้าแม่โกนอิมก็ได้จางหายไปในทันทีเช้าวันต่อมาเมื่อทาโร่รู้สึกตัวตื่นขึ้ น, นมาในตอนเชา้าด้วยความดีใจเป็นที่สุดเขารีบแต่งตัวไปโดยไวและออกเดินทางไปที่ศาลเจ้าทันทีใจเขาคิดที่จะต้องไปทําความเคารพขอบคุณกับเจ้าแม่โกนอิมต่อหน้าท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเข้าฝันซึ่งมันทําให้เขามีกําลังใจที่จะคิดต่อสู้กับชีวิตอันแสนจะลําบากของเขามาก เมื่อทาโร่ไปทําการกราบไหว้และขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่เขากำลังเดินออกมาจากศาลจนเกือบจะพ้นจากปากประตูของศาลอยู่บรอมมาร์ล้อแล้วก็เกิดสะดุดหินก้อนหนึ่งเข้าและได้หกล้มลงไปนอนอยู่หน้าประตูศาลอย่างหมดท่าแต่มือของเขายันกายลุกขึ้นมาได้และมองไปที่มือของเขาเท่านั้นก็พันได้เห็นว่าได้มีฟางเส้นหนึ่งติดขึ้นมาที่มือเขาเขากํามันเอาไว้แน่นอยู่ในมือตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ อายาเดี๋ยวก่อนสิเรือวันี้คือของที่เจ้าแม่กนีมได้บอกว่าจะประทานให้เราฟางเนี่ยะหรือทาโร่คิดฟางเส้นเล็กๆที่ไร้ค่าเนี่ยหรือมันจะช่วยทำให้ข้าโชคดีขึ้นจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทาโร่ไม่อยากที่จะเชื่อและไม่มั่นใจเอาซะเลยกับสิ่งที่เห็นในมือฟางเส้นนี้เนี่ยนะแต่ว่าไม่ว่าเขาจะพยายามคิดหรือโกหกตัวเองว่ามันต้องไม่ใช่ ก็ไปเป็นผลเพราะฟางเส้นนี้มันเป็นสิ่งแรกที่เขาได้จับเอาไว้ในมือจริงๆทาโร่หยุดนิ่งคิดและให้ความรู้สึกเหมือนกับฝันว่าความหวังของเขานั้นเกือบจะสลายลงไปอยู่เหมือนกันแต่ความที่เขาเป็นคนที่มีใจมั่นและศรัทธาเคารพรับถือในตัวขององค์เจ้าแม่กุฎอิน ม, มากมันทําให้เขาแน่ใจว่าเจ้าแม่กุฎอินจะต้องไม่แกล้งหลอกเขายัางแน่นอนดังนั้นเขาจึงตกลงใจที่จะถือฟางเส้นนั้นเอาไว้ แล้วก็เดินออกไปเรื่อยๆในขณะที่เขากำลังเดินออกมาสักหน่อยก็ได้มีมแมลงตัวหนึ่งบินมากระพือปีกร้องปูวีปูวีส่งเสียงนงหูอย่างมากอยู่รอบๆหัวของเขาด้วยความํำคานทาโร่จึงจับมแมลงตัวนั้นไว้แลอวมาผูกติดไว้ที่ฟางเส้นนั้นของเขาเสร็จแล้วก็เอาไปผูกติดกับกิ่งไม้เล็กๆไว้อีกหนึ่งกิ่งแล้วก็ได้เดินถือแกวงไปแกวงมาและออกเดินต่อไป เจ้ า, มาแมลงตัวนั้นมาดูผูกเอาไว้อย่างนั้นมันจะร้องวีวีวีแล้วก็กระพือปีกบินไปรอบๆไม้ที่ผูกไปแน่นไม่ยอมหยุดทาโร่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกสนุกขึ้นมาจึงวิ่งเล่นและถือไม้ที่ติดแมลงนั้นไปอย่างสนุกสนานกําลังเพลินๆอยู่นั่นเองในขณะนั้นเพอเอินได้มีขบวนของขุนนางท่านหนึ่งเดินทางมาผ่านทางนั้นเข้าพอดีและในขบวนนั้นก็ได้มีภรรยาและบุตรชายของขุนนางผู้นั้น ได้เดินทางมาพร้อมกับขบวนด้วยลูกชายของคุณนางนั้นยังเด็กมากและคงจะเป็นด้วยเพราะว่าเมื่อเดินทางไกลๆจึงได้ร้องไห้กระจองงองเงยมาตลอดทางเมื่อเขาได้เหลือบมาได้เห็นไม้ติดแมงของทารุเขาจึงร้องไห้และยืนยัดเป็นการใหญ่และบอกว่าข้าอยากได้ข้าอยากได้เราจะเอาของเล่นนั้นนั้นบริวารของคุณนางจึงบอกให้หยุดขบวนและเดินมาขอร้องกับทารุขอไม้ติดแมลงอันนั้นทีเถอะพ่อหนุม่ม บุตรของนายเราอยากจะได้ขอไปเป็นของเล่นอันหนึ่งของท่านขอให้กับเขาเธอได้โปรดทารุ่ได้ฟังจึงยื่นให้อย่างว่าง่ายทันทีบุตรของขุนนางว่าได้ของเล่นที่ถูกใจก็หยุดร้องไห้กระจององอแงและหันมาแกว่งไม้ที่ติดแมลงอันนั้นเล่นอย่างสนุกสนานภรรยาของท่านขุนนางไม่เห็นลูกชายหยุดร้องไห้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงได้ยื่นผลไม้ให้กับทารุ่นั่นก็คือส้มสามผล เราให้ส้มนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกับของเล่นที่ท่านนั้นมอบให้กับบุตรชายเราขอบคุณท่านมากมายเหลือเกินทาโร่ไม่จะรับส้มสามผลเป็นการแลกเปลี่ยนมาได้ก็เดินถือส้มสามผลนั้นออกมาในใจก็คิดว่ามันมหาศจรย์อะไรอย่างนี้ฟางไร้ค่าแค่เส้นเดียวนี่นะแลกเปลี่ยนเป็นส้มได้ตั้งสามผลนี่จะต้องเกิดขึ้นเพราะฟางวิเศษที่เจ้าแม่กวนอิมได้มอบให้เราเป็นแน่เลยเขาคิด และเมื่อเขาเดินต่อไปได้อีกสักหน่อยเมื่อถึงทางตรงแยกที่เป็นทางที่จะเข้าหมู่บ้านพอดีนั้นเขาก็ได้แลเห็นว่ามีหญิงนักเดินทางนางหนึ่งกาลังนั่งหน้าซิดเหมือนกาลังจะเป็นลมอยู่ข้างทางและมีผู้ชายคนหนึ่งที่คงจะเป็นผู้ที่ร่วมทางร่วมมากับผู้หญิงนางนั้นได้เข้ามาถามทารุ่วว่าขอโทษที่เธอพ่อหนุม่มแถวที่ไกลๆนียพอจะมีที่หาน้ำดื่มได้บ้างไหมทาร่าได้ฟังจึงบอกว่า จะมีก็ต้องเป็นสารเจ้าที่ไกลออกไปมากพอดูเหมือนกันนะครับเอาอย่างนี้มั้ยล่ะถ้าจะเป็นลมเพราะการกระหายน้ําได้ละต้อเอาส้ม3ามผลนี้เราให้เอาไปกินแก้กระหายน้ําบางทีมันอาจจะช่วยได้นะท่านหญิงนางนั้นเมื่อรับส้มไปแล้วก็แกะกินอย่างกระหายน้ําเมื่อค่อยๆกินไปเรื่อยๆอาการของนางก็ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณท่านมากพ่อหนุม่มเรารู้สึกดีขึ้นมากเราคงจะมีแรงเดินทางต่อไปได้แล้วแหละ เราทั้งสองเป็นคนขายผ้าเดินมาจากทางไกลอย่าว่าอย่างนั้นอย่งนี้เลยนะพหนุ่มเพื่อเป็นการตอบแทนความกรุณาของท่านเราขอมอบผ้าไหมสามม้วนนี้ให้เป็นการตอบแทนน้ำใจของท่านขอท่านจงรับไว้เถิดขอบคุณท่านมากไปเหลือเกินโหส้มแค่สามผลนี่กลับกลายเป็นผ้าไหมราคาแพงได้ตั้งสาม้วนนะเหลือเชื่อจริงๆเลยทารุดีใจมากจึงแบกผ้าไหมทั้งสาม้วนเดินต่อไปอีก เขาก็เกิดนึกขึ้นมาว่าเอ๊ยผ้าไหมาสาม้วนเนี่ยมันจะเนริบิตกับกลายมาเป็นอะไรได้อีกบ้างเนี่ยคิดได้อย่างนั้นก็เดินทางต่อไปอีกเรื่อยๆขณะที่เดินทางต่อไปเรื่อยๆก็ได้แลเห็นว่ามีสมุไรผู้หนึ่งกําลังขี่ม้าที่กําลังเพลยศยดอยู่วิ่งตรงเข้ามาทางทาโรุอย่างกระทันหันจม้าตัว น, นั้นวิ่งคั้วมาข้างหน้าอย่างไม่ยอมหยุดและติดตามด้วยทหารซึ่งเป็นข้าทาสของสมุไรผู้นั้นวิ่งติดตามมาด้วยติดๆ ทั้งสองคนพยายามและช่วยกันดึงจับม้าตัวนั้นให้หยุดพยศลงให้ได้อย่างเซไปเทมาถลาไปถลามาแต่เจ้าม้าตัวนั้นเมื่อมันวิ่งตรงมาใกล้ๆกับทาโรอระหว่างที่ทาโรอกําลังตกใจยืนดูอยู่นั้นอยู่ๆเจ้าม้าตัวนั้นก็หยุดลงอย่างกระทันหันและก็ล้มลงไปนอนนิ่งอยู่ที่พื้นดินไม่ไหวติงแม้แต่นิดเดียวท่านสมุไรพอท่านลงจากหลังม้าได้เท่านั้นก็โมโหฉุนเฉียวอย่างมาก และได้หันมาสั่งให้ข้าทาบริวรรณที่ตามมาทั้งสองคนว่าเอาม้าตัวนี้ไปฆ่าทิ้งเสียแล้วก็เดินจากไปข้าทาทั้งสองเมื่อได้รับคําสั่งจากท่านสมูไรก็รู้สึกกลุ้มใจอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไงกับม้าดีทำไรกันไม่ถูกเลยทั้งสองจึงได้แต่เพียงหันหน้ามายืนปรึกษาหาเลือกันไปพลางจะทํำยังไงดีนะทารุ่มเมื่อเห็นดังนั้นจึงข้ามเดินไปบอกกับข้าทาทั้งสองว่าท่าน ท่าจะฆ่ามันเหรอน่าสงสารออกเอาอย่างนี้แล้วกันท่านสมุไรก็ไม่อยู่ละแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรอีกแล้วด้วยเราจะจัดการกับม้าตัวนี้เองอะผ้านี้หนึ่งม้วนเราให้ท่านรับไปเถอะคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันดีไหมเราให้ผ้าท่านและเราจะเป็นคนจัดการกับม้าตัวนี้นี่เองข้าทาาทั้งสองได้ฟังจึงรับม้วนผ้าที่ทาโรุออกปากให้ด้วยความดีใจและจากไปจากที่นั่นทันทีเมื่อข้าท่าจากไปแล้ว ทาโร่จึงยืนพิจารณาดูม้าว่าเอ๊ะม้าตัวนี้ยังหายใจอยู่นี่และก็ไม่ได้ตายไปอย่างที่ทุกคนคิดทารโร่จึงเดินไปตักน้ํามาให้มันกินเจ้าม้าตัวนี้ด้วยว่ามันคงจะกระหายน้ําและหิวมันจึงพยศเอาอย่างนี้เมื่อได้กินน้ําที่ทาโร่ไปตักมาให้อาการของมันก็ค่อยๆดีขึ้นมันจึงเริ่มแข็งแรงขึ้นและยืนขึ้นใหม่อีกครั้งนึกว่าจะต้องตายเสร็แล้วนะเนี่ยทาโร่พูดเจ้าม้าเอ๋ยรอตายแล้ว ไปกับข้าดีกว่าและจากเหตุการณ์นี้เองทาโรุ่จึงได้ม้ามาเป็นของตนเองอีกอย่างหนึ่งโชคดีที่สุดเลยและแถมผ้าไหมที่มีอยู่สามว้วนตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ตั้งสองมว้วนอย่างนี้จำเพาะคิดได้ไงว่ามันเป็นความโชคดีเสเหเล็กเกินทาโรุ่คิดได้จึงได้เดินจูงม้าออกเดินทางของเขาต่อไปอีกพรของเจ้าแม่กวนอิมนี่ช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยจากฟางเส้นเล็กๆแค่เส้นเดียวกลับกลายมาเป็น ถหมากับม้าที่มีราคาแพงเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากทาโระคิดไปก็ยิ้มไประหว่างทางก็สํานึกในบุญคุณของเจ้าแม่กวนอิมตลอดทางและก็พอดีเวลากลางคืนคืนนั้นก็มาถึงทาโระได้ไปที่บ้านของชาวนาหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางที่เขาเดินทางผ่านนั้นจากนั้นเขาก็เข้าไปบอกขอร้องกับชายเจ้าของบ้านว่า ข้ามีผ้าไหมยอยู่สองม้วนจะขอแลกเปลี่ยนกับอาหารให้ม้าตัวนี้กินแก้หิวสักนิดได้ไหมครับท่านชาวนาเจ้าของบ้านไม่เห็นผ้าไหมที่มีราคาแพงก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากได้เลยได้เลยมาเราจะแบ่งยาให้หมาของเจ้ากินอะแล้วเจ้ากินอะไรมาหรื อ, อยังล่ะถ้ายังไม่กินเราก็มีอาหารให้เจ้ากินเช่นเดียวกันนะทาโร่รู้สึกดีใจมากไม่เพียงแต่ม้าของเขาจะได้กินญยาตัวเขาก็พอยอิ่มท้องไปด้วยจากนั้น ชาวนาจึงบอกว่าอืแต่มันมืดคร่าแล้วทําไมรังเกียจนอนพักที่นี่สักคืนก็ได้นะโชคดีอีกแล้วได้ค้างคืนเสียด้วยชาวนาผู้นี้จึงมีน้ําใจจริงๆรทาโร่คิดรุ่งเช้า ว, วันต่อมาทาโร่จึงกล่าวคําขอบคุณกับชาวนาผู้ใจดีเสร็จแล้วก็ได้กระโดดขึ้นขี่มา้าออกเดินทางของเขาต่อไปเมื่อเดินทางต่อมาได้อีกหน่อยเขาก็ได้ไลเห็นกระทือหาดหลังใหญ่เข้าหลังหนึ่งที่ตรงหน้ากระทือหาดนั้น มีพวกข้าท่าบูดูวาได้กำลังทำการขนย้ายข้าของกันเป็นการใหญ่ทุกคนช่วยกันแบกขนเข้าขนของกันหน้าตาดำขึ้าเคียดท่าทางคงจะแย่นะเนี่ยได้ท่ามีม้าสักตัวคอยช่วยขนของละ mm. ก็น่าจะดีนะทาโรโคคิดได้อย่างนั้นจึงได้ขี่ม้าเข้าไปใกล้ๆและลองร้องเรียกว่าท่านต้องการจะใช้ม้าบ้างหรือเปล่าหรือ ย, ยังไงทุกคนต่างหันมามองสักครู่ เจ้าของคฤหาดก็ได้เดินทางออกมาจากทางด้านในเมื่อชายคนนั้นเห็นม้าของทารุ่ก็พูดขึ้นว่าม้าของท่านเนี่เป็นม้าแต่มีท่าทางลักษณะที่สง่างามมากเลยทีเดียวท่านสนใจจะขายให้กับเราไหมเราจะได้ใช้ขี่ตอนเดินทางไกลแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันแลกกับทรัพย์สินของเราแล้วกันสนใจไหมล่ะทาร่จึงถามว่าจะแลกกับอะไระครับท่านเจ้าของคฤหาดจึงตอบว่า เอาเป็นว่าเราจะให้ที่นาของเราเพื่อแลกกับม้าของท่านท่านมีความเห็นว่ายัางไงทารุณได้ฟังอย่างนั้นจึงได้ตอบกลับไปอย่างดีใจว่าเงินนั้นถ้าจะใช้ทีเดียวแป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้าหากเป็นที่นาแล้วล่ะก็ขยันขันแข็งเข้าสักหน่อยแล้วก็ปลูกข้าวปลูกพืชพันธุยาหารให้ได้มีก็จะมีกินใช้ตลอดไปเลยทีเดียวถ้าท่านจักรุณาแลกด้วยสิ่งนั้น กระผมก็ขอตกลงใจและยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกันครับเมื่อได้ฟังทาโรว่าอย่างนั้นเจ้าของกระเราะหัดก็ให้นึกเป็นชมเชยในความคิดของทาร์โวเป็นอย่างมากท่านช่างเป็นคนหนุ่มที่มีความคิดหลักแหลมและรอบคอบนับถือและเกินและยังมีอีกอย่างเราอยากจะขอไหวหวานท่านอีกสักอย่างหนึ่งได้ไหมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเราอยากจะขอให้ท่านช่วยดูแลกระเราะให้กับเราระหว่างที่เราไม่อยู่นี้ด้วยจะได้ไหม คือเราจะต้องเดินทางไปทำงานที่เมืองซึ่งไกลามากและคงจะใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะกลับมาถ้าเป็นท่านเราคงจะหมดห่วงทารก่กระแสนดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตนเองก็กำลังจะได้ทั้งที่นาเป็นของตอนเองก็ยังไม่พอยังโชคดีที่จะได้มีที่อยู่อาศัยพ่วงเข้ามีอีกด้วยจึงตอบตกลงพร้อมกับขอบคุณเจ้าของคารหาไปเจ้าของกฤหาดด้ออกเดินทางอันยาวนานโดยใช้มา้าของทาร่ ทีและเดินทางไปตามทางของเขาส่วนทาร่นนั้นก็หันมาตั้งหน้าตั้งตาทำไร่ทานาของเขาแต่เร็ววันเขาได้ลากไถพลวนดินในที่นาที่เขาได้รับมาเป็นเจ้าของอย่างขยันขันแข็งและเมื่อใบไม้ผลิได้ผ่านเข้ามาอีกทีในที่นาของเขานั้นก็เต็มสะพั่งไปด้วยรวงข้าวสีทองให้เห็นเหลืองอร่ามจนเต็มท้องนาไปหมดปีนั้นทาร่จึงได้เก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างมากมายเลยทีเดียว และในเวลาต่อมาไม่นานจากนั้นทาโร้ก็ได้ร่ารวยขึ้นมาอย่างทันตาเห็นเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้จากฟางแค่เพียงเส้นเดียวแทๆ้ๆเรื่องราวของทาโร้ได้ถูกเล่าลือไปจนทั่วทุกคนทุกแห่งตามหัวมือต่างๆทุกคนจึงหันมาตั้งฉายาแล้วเรียกเขาใหม่ว่าท่านเศรษฐีฟางเส้นเดียวและด้วยถึงแม้ว่าเขาจะรวยขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่ทาโร้นั้นก็ยังเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นพวกเศรษฐีในที่ต่างๆ จึงอยากที่จะได้เขามาเป็นลูกเขยกับทุกคนมีเศรษฐีหลายคนมาเสนอลูกสาวให้แต่งงานกับเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทาโรุนั้นได้มีหญิงสาวนางหนึ่งที่เขาหมายปองเอาไว้ตั้งแต่เมื่อตอนที่เขาได้อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของเขาจึงได้ตอบปฏิเสธพวกลูกสาวเศรษฐีทุกคนไปและในเวลาต่อมาอีกไม่นานหลังจากนั้นทาโรุ่ก็ได้ไปสู่ขอหญิงสาวนางนั้นมาเป็นเจ้าสาวของเขาได้สมใจปรารถนานางคนนั้นมีนามว่าฮานะ ฮานะคือหญิงสาวที่เป็นคนที่ขยันไม่ย่อท้อต่อการงานเป็นอย่างมากทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขและให้กําเนิดลูกน้อยๆหลายคนในการเวลาต่อมาส่วนเจ้าของคฤหาสที่ทาโร่ได้ขอใช้อาศัยอยู่นั้นก็ไม่มีท่าทางว่าจะกลับมาอีกเลยสักทีทาโร่กับฮานะจึงอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์หลังนั้นต่อมาอย่างมีความสุขทาโร่กับฮานะมักจะพาพวกลูกๆของเขากลับไปทําความเคารพเจ้าแม่โกลดอิมที่ศารอยู่เสมอ ไม่ได้ขาใจของทาโร่ก็คิดเสมอว่าเพราะเจ้าแม่แท้ๆที่บรรดาลให้เขามีความสุขขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้จากฝากที่ไร้ค่าแค่เพียงเส้นเดียวจริงๆนิทานเรื่องนี้จะสื่อให้เห็นว่าเมื่อมีพลังศรัทธาก็ต้องมีความพยายามไม่ย่อท้อมุ่งมั่นสู่จุดหมายด้วยความขยันขันแข็งไม่ลืมตัวทุกอย่างก็จะประสบความสาเร็จได้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพระโชคช่วยแต่ส่วนใหญ่ๆแล้วมันเป็นการลิขิตของตนเองทั้งสิน้นและพบกันใหม่ครับกับนิทานเรื่องต่อไปสวัสดีครับ